มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาเมนกะปัญหาจะตุถวักพิขูปนามณะปัญหาที่สามถามว่าพระพุทธเจ้าไม่มีโกโรธเหตุอะไรจรึงขับไล่พระอัคารสาวกทั้งสองเล่าราชาอาหะ สมเด็จพระเจ้าวิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยยาณปรีชาภาสิตังเจตังคำดังนี้สมเด็จพระไตรโล ก, กมุนีมีพระพุทธดีการตรัสว่าตถาคตนี้อโกทโนไม่มีโกรธวิคตะขีโล มีโทษคือโทโสเป็นดังหลักต่อปราศจากพุทธสันดาลแล้วปนันะจัะครั้นแล้วสมเด็จพระบรมโลกนาศาสดาจารย์ปนาเมสิมีพระพุทธดีกาตรัสขับพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอครสาวกทั้งคู่พร้อมด้วยบริสัทบริวารของอัตมากิงนุโ ข, ขพันเตข่าแต่พระนาเกษณผู้ปรีชา สมเด็จพระมหาการุณาที่คุณเจ้ามาตรัส ด, ดังนี้จะว่าดีไม่มีโกรธหรือโยมนี้เข้าใจแน่ทีเดียวว่าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าทรงโกรธเป็นมั่นคงถ้าแม้ว่าพระองค์ทรงขับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะผู้อักขระสาวกขวาซ้ายนั้นเป็นมั่นคงชนนี้แล้วคำเดิมนี้ที่มีพระพุทธตรัสดีกาว่า อโกทโนตถาคตไม่มีโกรธวิคตะคีโลตถาคตมีโทษคือโทโสเป็นดังหลักต่อปราศจากสันดานแล้วคำนี้ก็ผิดครั้นจะถือคำเดิมนี้คำตรัสทีหลังก็จะผิดหรือว่าพระองค์เจ้าไม่มีจิตโกรธโปรโดขับเสียด้วยจิตยินดีก็ใช่ท่วงใช่ทีใช่เหตุใช่ผล โยมคิดแล้วให้ชะงนครันอายังปัญโโหอันว่าปัญหานี้อุพัโตโกติเป็นอุพัโตโกตินิมนโโปรโดวิสัชนาให้แจ้งซึ่งวิมติกลางขาในการบัดนี้เถโรฝ่ายพระนาคเกษผู้มั่นด้วยศีลาที่คุณอันวิเศษจึงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐมหาศาล สมเด็จพระโลกุตมาจารย์เจ้ามีพระพุทธดีกาโปรดไว้ว่าตถาคตนี้อโกทโนหาความโกรธไม่ได้วิคตะขีโลมีหลักคือโทโสในสันดานผลาญเสียแล้วพระองค์ตรัสชนี้แล้วมีพระพุทธดีกาตรัสขับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยบริษัทนั้นใช่ว่าพระองค์จะทรงโกรธหาไม่ได้ จะเปรียบชั้นใดนะบอบพิษพระราชสมภารมีครุวนาปานบุรุษผู้หนึ่งสัญจรบนพื้นพระสุธาปักขลิตตะวาบุรุษผู้นั้นประมาทพลาดลม้มลงถูกรากไม้ก็ดีถูกศิลาและหลักต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นก็ดีจะว่าพระสุธาธรณีนั้นมีความโกรธหรือว่าหาไม่ได้ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอลงการตรัสว่านัติพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระสุทานั้นจะได้มีความโกรธนั้นหาไม่ได้ประการหนึ่งโกโปวาความโกรธก็ดีภาษาโทวาความเลื่อมใสก็ดีจะได้มีแก่พระสุทานั้นก็หาไม่ได้อยังมหาปทวีอันว่าแผ่นดินอันใหญ่ อนุนยยปฏติควิปปมุตตาจะได้มีจิตระใครและโกรธแค้นหามิได้สยะเมวะโสบุรุษผู้นั้นประมาทพลาดล้มลงเองณสัญญายะด้วยตัวมิได้สำคัญสัญญาจะโทษเอาว่าพระสุทธาโกรธขึ้นจึงเผอิญให้ต้องบาดเสี้ยนน้ำทางนี้หาถูกไม่ พระนาเกษเจิงถวายพระพรว่ายะถามีขรุวนาฉันใดบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระาศาสดาจารย์จะมีโกรธหาไม่ได้อ น, นุนยะปฏิฆวิปปมุตโตสมเด็จพระบรมตรยโล ก, กนาถผู้เป็นอัคระนักปราชจะได้มีความยินดีโกรธแค้นชิงชังใครหาไม่ได้อระหังทรงพระนามชื่อว่า พระอรหังควรแก่เครื่องสักการะบูชาเป็นอาทิสัมมาสัมพุทโธได้ตรัสรู้พระธรรมทั้งปวงหาผู้ใดจะเป็นอาจารย์ไม่ได้พระองค์ตรัสขับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยภิกษุบริษัทเสียด้วยโทษของตนกระทาไว้อุปมาดังความที่อุปมานั้นประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเจ้าถ้ามิฉะนั้นดุดมหาสมุทรอันใหญ่มาตะกุณะเปนะสังวสติจะได้ส่องเสบอยู่ร่วมด้วยอสุภาษิ ต, ตายนั้นหาไม่ได้ยังกินจิสังขาเสวาละปนกะกุณะปังสังหรือคือจอกสาลายแหนและซากอสุภาษิตตายลอยไปนั้น มหาสมุทรอันใหญ่ก็ซัดขึ้นไปเสียบนตลิ่งสิ้นมิให้อสุภาษิ ต, ตายนั้นลอยล่องอยู่ในสมุทรสาครมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมหาสมุทรนั้นรำคาญเคืองขึ้งโกรธหรือจึงซัดอสุภานั้นขึ้นเสียบนตลิ่งนั้นณนะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชองค์การตรัสว่า นัติพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ามหาสมุทนั้นเล่าโกโปวาจะมีจิตกโกรธก็ดีโทโศวาจะมีจิตประทุษร้ายก็ดีหาไม่ได้อนุนยะปฏิฆะวิปมุตโตมหาสมุโทโธสมุทอันใหญ่จะมีจิตรักคร่ชิงชังหาไม่ได้พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมหาสมุรนั้นเปรียปานฉั้นใดโสดโกโปวาอันว่าความโกรธก็ดีปัสาโทวาอันว่าความเลื่อมใสก็ดีจะมีในสันดานสมเด็จพระโรกุตมาจารมหามิได้ตถาคโตอันว่าสมเด็จพระไตรโล ก, กนาถอะระหังตัดขาดจากกรรมกงสงสารสัมมาสัมพุทโธ ได้ตรัสแก่พระประมาพิเศกสัมพูทิยานด้วยพระองค์อนุนยะปฏิฆวิปปมุตโตตั้งอยู่ในองค์อูเบขาจะได้มีพระไยเนหารักคร่ชิงชังหาไม่ได้อุปมัยดุจหนึ่งสมุดสาคอนนั้นขอถวายพระพรบุรุษพลาดแล้วย่อมล้มลงบนแผ่นพระสุทาชันใดพระมหากรุณา ก็ทรงขับไล่ผู้ที่พลาดในพระศาสนาฉันนั้นประการหนึ่งมหาสมุทย่อมซัดซากอสุภะขึ้นฉันใดผู้ที่ประพฤติผิดในพระศาสนาพระองค์ก็ซัดไปฉันนั้นตาาคโตประการหนึ่งเล่าสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้ามีพระพุทธดีกาให้ขับเสียนั้นหวังจะให้เข็ดหลาบไม่กระทาต่อไป ตั้งพระไทยจะให้ปฏิบัติเป็นอันดีเพื่อให้พ้นจากชาติชาราพยาธิมารณะพ้นจากทุกทั้งมวล น, นี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรได้ทรงฟังก็สิ้นวิมติกังขามีพระราชค์การตรัสว่าสาธุสะข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าสำปฏิจฉามิ โยมจะรับถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าไว้ในการบัดนี้พิคุปนามณะปัญหาเป็นคำรบสามจบเท่านี้